นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดปากออนไลน์อาลมาพระไพบูลก็มาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลับนักการครับและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมณัฐพงศ์กนกวิโรจครับอืมอันนี้เป็นเอพิโซดที่ตลาดแล้วคุณหมอเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบแล้วครับนะเรามาทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดอในเอพิโซดที่เจสิบนี้ก็จะขอพูดเรื่องที่อ่าสืบเนื่องจากครามที่ลราสนิทหนึ่งเหมือนที่พูดถึงว่าฟ้าผ่าแล้วก็ทำให้เกิดเหมือนกับ ร่างกายมันนิ่งไปสันิดนึงมาพิจารณาโดยละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเออการที่เรานิ่งไปนี่เพราะความกลัวหรือว่าเพราะอะไรแต่มันมีเหตุผลหนึ่งคือการที่ร่างกายเรานิ่งไปเนี่ยเป็นเพราะว่า body reflection หมอได้พูดเรื่องอะไรไหส ม, มเราเอามือลูบไปที่หน้าเนี่ยผ่านหน้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บสายตาต้องกระพระพิบทันทีใช่ครับกระพริบนะตาหรือว่ามีคนมาจาะเอ๊ะข้างหลังเนี่ยมันต้องสะดุ้งทันทีเพราะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับ body reflection แต่ว่าจิตเนี่ยมันก็ยังสบายอยู่ แต่ถ้าคนที่ฝึกจิตมาดีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายเราบางทีอาจจะแบบมีการกระตุกมีการแข็งหมายถึงนิ่งตัวแบบแข็งไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะเป็น body reflection ที่มันเกิดขึ้นได้ใช่ครับอย่างงี้นะอันนีค้คืออันที่หนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการฟ่าผ่านี้ก็มีคุณนุกูลได้แชร์ประสบการณ์มามักันครับคือคุณนุกูลก็ พอได้ได้ฟังในตอนที่แล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าเรื่องฟ้าผ่าก็เลยไม่แน่ใจว่าสายสายล่อฟ้าที่วัดเนี่ยคือตัวสาราปฏิบัติธรรมและโบสเนี่ยมีหรือเปล่าอ๋ออันนี้<อ>มีอยู่มีครับมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบมันมนานมากแล้วมันคิดว่าข้างใต้มันคงจะผุไปแล้วล่วะอันนี้คงต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะแล้วก็คุณอนกูลยังได้พูดถึง ว่าถ้าบุญชาติเข้าสมาธิได้สูงขนาดนี้เนี่ยก็แสดงถึงกําลังจิตของมนุษย์นะซึ่งถ้าเราทําความเพียรได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากแน่นอนครับเรียกว่าถึงขั้นที่ที่ท่านคิดว่าน่าจะถึงขั้นระดับแปดใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอันนี้ได้เปรียบเทียบกับอุทกผู้รามบุตรครนะซึ่งได้สมาธิระดับที่แปดเอขอไประดับที่เจ็ดเอาขอไประดับที่แปดอใช่ใชแปดก็เป็น ชื่อบาลีคืออาคาษ า, า เ, นเนวะสัญญาณะสัญญาญตนะเนวะสัญญาณะสัญญายาตนะใช่เหมือนก็จะมีสัญญาก็ไม่ใช่หรือจะไม่มีจะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้เราได้เคยพูดไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้ครัไหนๆก็ตอบคาถามแล้วก็ตอบคำถามของคุณอันุูคุณอันอื่นได้ตัวเลยครับคือท่านถามว่าเรื่องความหิวนะครับเรื่องความหิวคือบอกว่ากับความเบื่ออืความหิวความหิวกับความอยาก นะครับก็เลยเหมือนกับว่า <c oughs> คืออ๋อก็ต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเบื่อกับความจำเจนะความเบื่อหน่ายกับความเบื่อเส้งนั้นจะแยก อ, อ, อย่างไรอันนี้ที่คุณกคุณถามมาเป ค, ความเบื่อหน่ายในทางธรรมก็คือว่านักศึกษาที่ว่าเราปล่อยวางได้นะแต่ความเบื่อหน่ายที่แบบเบื่อเบื่อเส้งนะบเบื่อเส้งเนี่ย คือเราจะปล่อยวางไม่ได้เราจะไปยึดสิ่งใหม่ต่อไปสมมติเราใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ iPhone 4อย่างเงี้ยเบื่อละใช้ใหม่ลาจะซื้ อ, ซ, อซื้อ iPhone 5ซึ่งมันยังไม่ออกเลยจะไปซื้อแล้วอย่างเงี้ยนะ uh, ก็ปรากฏว่าคุณจะมีความเบื่อเบื่อเสงใน iPhone รุ่นเก่าแล้วก็ถามว่าวางได้ไหมคุณจะไปยึดสิ่งใหม่คือ iPhone 5อย่างงี้นี่คือความเบื่อหน่าย เ, เบื่อเสงแ ต, แต่ความเบื่อหน่ายเป็นยังไงคือเราจะปล่อยวางได้ แล้วก็มายึดซื้อสิ่งใหม่อันนี้ความแตกต่างกันข้อที่1นึ่งความแตกต่างกันข้อที่2ระหว่างความเบื่อเซ็งอันนี้คือเป็นนิวรณ์นะเป็นตีนไมมิทาอย่างหนึ่งกับความเบื่อหน่ายคือนิพิธานิพิทานี่ก็คือนิพิทายานในความเบื่อหน่ายความแตกต่างกันข้อที่2ก็คือความเบื่อเซงเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิแน่นอนแต่ความเบื่อหน่ายนี่จิตเป็นสมาธิแน่นอนเพราะว่าพอเบื่อหน่ายแล้วคุณจะปล่อยวางได้เห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหม ก็ไปคุณเห็นตามที่เป็นจริงแล้วคุณจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วจะปล่อยวางได้เพราะนั้นจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตต้องเป็นสมาธิแต่เพราะนั้นคนที่เบื่อเซ็งเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิแน่เพราะว่าจะปล่อยวางไม่ได้แถมยังไปยึดถือสิ่งอื่นแต่คนอยากแต่คนที่เบื่อจะมีสมาธิแน่เพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วปล่อยวางได้แล้วคนที่เบื่อเซ็งเนี่ยประรรบเหตุอะไรประรรเหตุก็คืออาศัยเห็นความยึดถือความที่กามตาหูจมูกลิ้นกาย นะฮอย่างนี้จึงมีความเบื่อเซ็งแต่ความเบื่อหน่ายเนี่ยอาศัยเหตุจากการที่เห็นตามที่เป็นจริงนะคุณจึงเบื่อหน่ายแต่เพราะนัเห็นตามที่เป็นจริงจึงให้เห็นความเบื่อหน่ายแต่ว่ามีความกำหนัดรุ่มหลงไปในกามคุณจึงมีความเบื่อเซ็งแาบ น, นี้นะก็จะมีความแตกต่างกันอย่างน้อย3าประเด็นละอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบงานก็ทิ้งไปเลยนะนึกออกไหมอย่างสมมติทำไมบางคนไปกินข้าวเที่ยงสชั่วโมงสชั่วโมง นันั่นเพราะว่าเขาเบื่อเบื่อเสงแต่สําหรับคนที่เบื่อหน่ายนี่เขาจะปล่อยวางได้จะสามารถรับผิดชอบงานด้วยการปล่อยวางได้แต่บางคนไม่เข้าใจว่ารับผิดชอบด้วยการปล่อยวางเป็นยังไงคือหมายความว่าเราปล่อยวางออกจากจิตของเรานะให้จิตของเราเนี่ยสบายเพราะจิตของเราสบายแล้วอย่างเช่นกลิ่นเหม็นนี่คุณล้างห้องนา้าเห ม, ين, ม ين. ็นเหม็นถ้าคุณปล่อยวางได้คุณไม่จิตใจไม่เกลียดนั่งเกลียดในสิ่งเหม็นนี้มาเกิดปัญญาคุณเสร็จแน่นอน และแล้วมีทุกน้อยด้วยในขณะถ้าคนที่เบื่อเซง็งเบื่อเซ็งกันแล้วห้องน้ำโอ้ยคุณเพนเป็นไหนต่อไหนแล้วอืมห้องน้ําไม่เสร็จนี่ทิ้งงานเสียเลยครับในขณะที่คนที่มีความเบื่อหน่ายนะปล่อยวางความยึดถือความเรื่องกลิ่นตรงนี้ออกไปจากจิตได้นะทําการงานได้อย่างสบายใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอืมครับไม่ไม่ได้ยึดในความสกรปกสกรกโสโครกแต่ทําเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าถูกต้องเลย เพราะนั้นไอ้การเบื่อหน่ายเนี่ยเราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่หมายว่าเราไม่ทําอะไรไม่ยุ่งอะไรไม่ใช่แต่เบื่อหน่ายนี่นะยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยวางได้นะความทุกเราน้อยลงเพราะสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตน้อยลงเนี่ยความสุขเรามากขึ้นความสุขในที่นี้ไม่ใช่สุขเวทนานะแต่เป็นสภาวะที่เป็นสุขสภาวะสุขกับสุขเวญธนาไม่เหมือนกันนะอย่างที่เราคคุยไปในรายการใช่ไหมสภาวะทุกข์กับ ทุกขเวทนานี่กินความกว้างออกกันมากสภาว่าทุกขนี่กินความรวมไปหลายๆอย่างมากรวมรเจ้าทุกขเวทนานไปด้วยแต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกได้เนี่ยสภาวะสุขของเราเพิ่มมาขึ้นอย่างนี้นแล้วอีกประการหนึ่งด้วยประการที่5้าก็คือคนที่ไหลไปตามความเบื่อเซ็งเนี่ยเพราะว่าไปตามเวทนาน เ, นเขายังอยู่ในอำนาจของเวทนานอยูคนะ่คือเกลียดเวทนานที่เป็นทุกข ร่มหลงในเวทนาที่เป็นสุขแต่แต่บุคคลที่เบื่อหน่ายนะมีนิพพิทาเนี่ย<ม>ก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของเวทนาอ่านะ<ม>นี่ประเด็นหนึ่งนะอันนี้ชัดเลยนะครับเ<ม>พราะว่าจะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยครับอันนี้ก็<ม>เพื่อตอบคำถามของคุณอนุกูลนะเพราะฉะนั้นเราทํางานเนี่ยเราให้มีความเบื่อหน่ายในความยึดตือนะความเบื่อหน่ายในจิตของเราให้ปล่อยวางให้ได้ในความเบืบ่อหน่ายนี้ไม่ได้ทรงอยู่นานนะคุณหมอรัตพงษ์ คือพอวางปุ๊บมันก็จบเลยนะอพอวางปุ๊บแล้วมันมันจะเป็นยังไงแล้วนะ เ, เราจะาามีเราจะมีความยินดีร่าเริงด้วยดี<ช>อันนี้พุทธวจนะเนี่ยเพิ่เมื่ออใครกําหนัดแล้วจิตจะยินดีร่าเริงด้วยดีนะเมื่อจิตยินดีร่าเริงด้วยดีก็ไม่สะดุง้งนะไม่สะดุ้งก็ปรินิพานเฉพาะตนอย่างงี้ถึงปรินิพานเลยนะครับโอ้ใช่ถ้าปล่อยวางได้หมดนะ ค, คือนิพานเนี่ยหมายถึงนิพานเป็นขั้นๆหรอ หมายวาว่าถ้าเราปล่อยวางเรื่องของเด็กเล่นสมัยก่อนแล้วได้ใช่ครับแล้วก็ในเพราะว่าเราเบื่อละเบื่อหน่ายในของเด็กเล่นสมัยเก่าแต่ถ้าคุณเบื่อหนายจริงๆนะคุณวางได้หมดนะของเล่นสมัยโตคุณก็ไม่เอาด้วยอื่ารถยนต์เข้าของเครื่องใช้ป้ายเสียงอะต่างๆอ่าวง า, างได้หมดนี้ก็ดีอั น, นนี้คือประกันที่หนึ่งอ่าต่อไปมีคําถามของคุณมารคานุค่าครับมารคานุค่าก็ได้ยก ประสูตรขึ้นมานะครับ อ, อมาไปเลยครับจะอ่านเลยไหมครับ <laughs> ได้ๆคือภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าคือประกอบด้วยกองศีลชั้นอเสศเซขาประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสศเซขาประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอศัศเซขะประกอบด้วยกองวิมุติชั้นอเสศเซขาประกอบด้วยกองวิมุติยานทัศนะชั้นอศัศเสขาโอ้โหเขาทำไห ม, มครับหมายความว่าอย่างไรนะครับ อันนี้ก็คือว่าประเด็นก็คือที่คุณมรคานุคาถามก็คือว่าเพื่อที่จะรู้จะเห็นได้ด้วยตัวเองนะคือหนทางมีอยู่ฟังนี่ดีหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่นะที่เพื่อมุที่ซึ่งผู้ปฏิบัติตามแล้วจะรู้จะเห็นได้ด้วยตัวเองครับเข้าใจไหมคือถ้าคุณเดินตามทางนี้คุณเห็นได้ด้วยตัวเองสบายๆน ะ, ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงตรงนี้คือพูดถึงอะไรพูดถึงอรหันตมักนะนี่คืออรหันตมักนะครับ เพรา ะ, ะนั้นถามว่าคุณจะปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันเนี่ยคุณต้องอยู่ในอรหันตะมักใช่ไหมอรหันตะมักก็คืออัศเซคะนั่นเอง อ, เอัศเซคะเพราะนั้นถ้าคุณยังไม่บรรลุเป็นอรหันตะมักเนี่ยก็ยังเป็นเสขะอยู่แตนะถ้าอยู่บนอรหันตะมักแล้วก็ชื่อว่าเป็นอเสขะละคุณทําไปคุณทําไปนะบรรลุอรันตผลอ่านี่แหละจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองเพราะนั้นการที่เดินอยู่บนอรหันตะมักนะเป็นการที่เดินอยู่บนทาง เดินอยู่บนปฏิปตาแล้วถ้าเมื่อเธอเดินอยู่ต่อไปก็จะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองเพดัะนั้นพระเจ้าจึงพูดถึง5อย่างนี้ขึ้นมาสีสมาทิปัญญาคืออะไรหมอทศพงศ์คือมักแผ่นั่นเองมก 8, ักแผ่นใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราทําให้ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นวิมุติเป็นวิมุตติญาณนัตสนาอันนี้คืออรัตมารละแน่นอนเลยก็คือเถ็งชั้นอะเซค่ะใช่ดัะนั้นอย่างเช่นถามว่าโสดาบันกับอะเซค่ะคืออรหัตมาร์เนี่ย และอัตราผลเนี่ยต่างกันยังไงอย่างสมมุติว่าแค่เราเห็นด้วยความเป็นอด้วยความความที่เรียกว่าเน่าเปื่อยในกาย ค, คือเห็นกายนี่เป็นของแบบเน่าเปื่อยอะไรต่างเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของ อ, อนาคามีเม่เ<น>ช่นพระพุทธเจ้าเราอามาอายบเอามาจากไหนตรงนี้นั้น ค, ค, คือเราพูดถึงการเห็นความเป็นของปฏิกูลในอาหารเปื้ต้นแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทําให้ถึงความที่ไม่ต้องมาเกิดบนโลกนี้อีก นั่นคือเป็นอนาคามีครับใช่หมอย่างเช่นเห็นว่า อ, อาหารมันเน่าเปือป่อยเห็นกายมันเน่าเปื่อยพวกนี้อนาคามีเลยเป็นอนาคามีมักครับแต่ถ้าเราเห็นโดยความเป็นอนัตตาอันนี้อนาณาธรรมมัคเลยครั บ, รบอ่ามันมันไม่เหมือนกันนะครัอ้มันไม่เหมือนกันยังไงเออท่านท่านฟังก็คงจะค่อยๆทําไปหรอกจะมีความละเอียดของตรงนี้อยู่คือเราจะปล่อยวางให้ความเป็นอาหารอ่าออนัตตาเนี่ยสมมุติคนที่อ่าเห็นว่ากายเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะ พอเขาปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เนี่ยมูยเห็นแบบความนอาเปิดเกิดความเบื่อในปล่อยวางบางทีมันไปยึดไอ้ตรงที่วางนั้นไงอ๋อแต่ถ้าเราปฏิบัติตามประหาอตอรหัตมรักคกิดหน้าตาน่าตาหน้าตาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไอ้ตรงที่วางนั้นก็ไม่เที่ยงก็วางอีกอย่างเงี้ยอืมหลุดพ้นเลยอ่ามันก็จะมีแง่มุมที่ละเอียดๆลงไปงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ บ, บอกเป็นให้ทราบเป็นเบื้องต้นเฉยๆว่าอ่าอันนี้พระเจ้าพูดถึงเรื่องอรหัตมรักนะอรหัตมรักขึ่งจะไม่เหมือนกับ อนาคตมีมากหรือโซดาปติมักอย่างนี้แล้วก็อยู่ในมักแ8ดนี่แหละเราก็ทําไปมันก็เดินอยู่ในทางที่จะไปถึงคนทางตรงนี้ซสนใดอหนึ่งต่นี้พุทธเจ้าพูดให้ละเอียดลงไปยิ่งขึ้นว่าเป็นอเศขันะแล้วก็มีวิมุตติด้วยนะแล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะด้วยนะอย่างนี้ก็จะพูดก็คือเป็นมักสิบนะมีแปดอย่างแล้วก็เพิ่มไปอีกสองนะชนิดที่เป็นอาศัยขันอีกสองก็คือวิมุตติกับ มุติยานทัศนะหรือเปล่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องครับทีนี้คําว่าอาเสขาเนี่ยก็คือเฉพาะบรรลุอรหันต์ไม่ถ้ากรณีของออโสดาบานันสกิทาคามีอนาคามียังเป็นเสขะใช่ไหมครับช่ยังเป็นเสข า, <umble> ขาอยู่คือเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรอย่างสมมติถ้าเราปฏิบัติตามสีมีความมั่นใจในพระพรประสงค์แต่แค่นี้เราคุณเดินอยู่บนอรหันตมารคแล้วเดี๋ยวขอไปคุณเดินอยู่บนโสดาปฏิมาร์กแล้ว ครับจนกระทั่งจนกระทั่งนงคุณเดินไปเดินไปจนกระทั่งอ่าเขาเรียกว่าสังโยชน์สามอย่างนี้หมดไปอ่ันนี้คุณเป็นโสดาปฏิผลอย่างเงี้ครับทีนี้เดี๋ยวเดินไปโสดาปฏิมักอยู่ยังสังโยชน์ยังไม่สิ้นไปเลยกลับบ้านเดี๋ยวด่าเมียละเด๋ด่าลูกละด่าพวกละอ่ันนี้คือแสดงว่าออกดอกรักละอ่าก็เนินช้าไปละก็คือไม่ได้เป็นโสดาปฏิมักละไม่ได้เป็นโซดาบันบุคคลในขั้นของมักละคเข้าใจไหมเมราะหนทางเนี่ย เราทำอยู่เรื่อยๆเดินอยู่บนทางอยู่ไม่หลงนอกทางนะรเราก็ไม่เนินช้าหล่ะและอย่างคนที่เป็นโสดาบันนี้จะทราบทราบตัวเองไหมครับท่านมาเนี่ยถึงละถึงละอย่างจะจะมีมีอะไรเป็นเหตุบอกไหมครับเออเขาจะมีความมั่นใจในพร ะ, ระพระทรุทธธรรมปสงค์ครับอ่าแล้วเขาก็จะมีความที่จิตน้อมไปในการที่อ่าปฏิบัติตามสีห่าจะไม่อยากผิดสียิ่งจะอ่าจะมีอะไรก็จะปรึกษาพระอุทธธรรปร ะ, ระรสงค์ มีความกังวลใจอะไรก่อมาดูที่ผู้เช่าสอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นสิ่งที่สรดบัลบุคคลจะเป็น อ, อคือแล้วก็ถ้าบางคนจะไปคิดว่าโอ๊ยเป็นสวดบาลแล้วจะแบบระเบิดตู้มแล้วก็เห็นเป็นดาวเจ็ดดวงต่างๆอุ้ยมันบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะสิมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกค น, น, นเรื่องนิมิตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ในการวัดเนี่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันที่ผู้เช้าให้ไว้เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการวัดที่โดยรวมนะนะคือทุกคนจะต้องเหมือนกันตรงนี้ว่า เออสั่งโยกของเราสิ้นไปสั่งโยกของเราสิ้นไปๆๆแล้วก็จะมีตรงนี้จะทําให้เกิดอะไรจะไม่เ อ, อ่อคือเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมจากการที่เรามีศรัทธาเป็นผลมจากการที่เรามีศีล น, นะแล้วอีกประการหนึ่งจะมีความเข้าใจตรงนี้เกิดขึ้นมาโอ้ยเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลอรยายะญาติธรรม <Kaw. S 1> ใช่ที่ที่อรยารยายะญาติธรรมเนี่ยที่เราเข้าใจว่าคือปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยนะคือแค่เข้าใจคู่ใดกู่หนึ่งก็พอ ค, คือเขาไม่ใช่ว่าคนที่เป็นโสดรูบัลเราจะต้องสามารถท่องปฏิญาสมูบาทได้ตลอดอาการทั้งขึ้นและลงไม่ใช่อย่างนั้น ค, นะคือท่องได้บางคนแค่จําได้เฉยแต่ไม่เข้าใจแต่<ช>โสดบรบาลบุคคลเนี่ยคือเข้าใจศัตรูปฏิพรนะคือเข้าใจอ๋อการทํางานเป็นอย่างนี้เราเกิดมาก็มีเหตุแค่นี้ก็จึงว่าคุณเป็นโัตรบัลบุคคลละอ๋อเราเจ็บนี่เพราะว่ามีผัสสะเข้าใจแค่เนี้ยคู่เดียวเนี่ยคุณเป็นโสดาบาลละ ะคือสวรรค์จะมีคนสมบัตินี้จะเข้าใจความเป็นเนรเป็นผลทําให้เขาไม่ไปปฏิบัติตามวัตโกตุญีระมงคลเป็นต้นกลับอย่างนี้นะวัตโกตุหระมงคลอก็คือที่อยู่นอกสมณที่พระพุทธเจ้าสอนช่ครับอย่างคนไทยจะติดดูหมอดูดวงนะครับท่านเยอะเลยครับอันนี้ก็เต็มเต็มเลยนะวัตโก ค, คือดูแล้วมันเพื่ออะไรใช่ไหมถ้าเราเพื่อต้องการความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ใช่ละบงคลไปจี้ฝายนะจี้ฝายบอกต้องการความหลุดพ้นหรือว่าต้องการให้ภาวนาดีขึ้นเอาอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พุทเจ้าบอกนะเพราะฉะนั้นก็การจี้ฝายก็ตามการทําสิ่งที่เพื่อให้การภาวนาดีโดยไม่ใช่สร้างเหตุที่ถูกต้องอันนี้เป็นวัตถโกตูหีละมงคลละครับเนอะคือบางคนบอกว่าจี้ฝายตรงนี้นะทําให้การภาวนาดีขึ้นไอ้มันไม่เกี่ยวนะถ้าคุณสมมุติคุณไปจี้ฝายแล้วคุณทําปิดศีลอย่างไรมันก็ไม่ดี หนึ่งก่อนเนาะเพราะนั้นถ้าพระเจ้าบอกว่าที่ฝ่ายแล้วดีก็พระเจ้าจะต้องบอกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามที่พระุทเจ้าสอนก็จะสบายใจแหละในเรื่องของการทําตรง น, นี้ครับผมทีนี้ประเด็นต่อไปคุณมอมรัตพงศ์จา ก, กผู้ศึกษาปฏิบัติใช่ครับที่ว่าเขาแบ่งป็นประสบการณ์ในการเปหลีกเร้นเคยมาปฏิบัติหลีกเร้นที่วัดป่าดอนนายโศกสองครั้งอครั้งแรกเนี่ยในวันแรกด้วยเนี่ย ท่านนั่งสมาธิท่านก็บอกว่าขยับไปมาตลอดเวลาเลยผมเล็บอายุท่านห้าสิบแล้วนะครับแต่พอถึงชั่วโมงอธิษฐานจิตคือจะเป็นอธิษฐานว่าห้ามขยับตัวให้ครบหนึ่งชั่วโมงท่านทำได้เกือบเกือบทุกชั่วโมงนะครับก็คือมีความความเพียรความพยายามมากขึ้นแต่พอมาครั้งที่สองพบว่าสามารถนั่งนิ่งไม่ขยับได้เลยในทุกชั่วโมง เคยแชร์ประสบการณ์ว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวกําหนดสําคัญคือถ้าจิตใจเราเนี่ยมีความเข้มแข็งอดทนก็สามารถที่จะทําสิ่งที่คิดว่ายากแล้วก็ไม่เคยทําได้เนี่ยทําได้ก็เลยพ <ปะ S 1> <ก>ระชุทธาก็บอกบว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตามทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเพราะฉนี่เป็นเครื่องยืนยันเป็นความที่เราเห็นได้เฉพาะตนถ้ารเรามั่นใจอย่างนี้นะเรามีความเห็นเฉพาะตนว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้ โอ้ยดีมากๆเลยหมอรักพงษ์เอ้ยครับดีมากๆเลยใครสักคนใด ค, คนหนึ่งที่จะมารู้ได้เองเห็นได้เองนะเมื่อคือเธอแตนตามทางอยู่นี่ถูกไหมผู้มาเรียนปฏิบัตินี้เดินตามทางหมดนะเดินตามทางสีมีสีมีสมาธิมีปัญญาเอา้าคุณฝึกความเพียนด้วยแต่คุณฟังธรรมะไปด้วยสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เห็นลมหายใจเสร็จแล้วทําความเพียนได้มันรู้เองเห็นเองไม่ต้องให้ใครมาแบบย้ำมาพยากรณ์อรอย่างนโอ้ยคุณสบายใจแล้ว ดีมากมากเลยคือของได้รู้เองเห็นเองเนี่ยอย่างสมมุติคุณหมอดูผู้ใดมาสักอย่างด อ, อย่างหนึ่งที่หมอรัตนุงษ์บอ ก, บอกบถามว่าถ้าเขาพยากรณ์อะไรสักอ ย, อย่างหนึ่งที่คุณสไม่สามารถตรวจสอบได้คําพูดนั้นไม่มีค่าอะไรเลยจริงครับแต่ถ้าเขาพยากรณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่คุณสามารถตรวจสอบได้เอออันนั้นค่อยฟังคาถาอย่างเช่นบอกว่าอคุณเอคุ ณ, คณเป็นนิสัยอย่างนี้หรือว่าคุณเคยทํางานอยู่ที่นี่ โอ้โหเขาไม่เคยรู้ประวัติําก่อนแล้วเขารู้เรื่องนี้ได้เออนี้ฝั่งฝั่งเข้าท่าอย่างเงี้ยนะอ่าตัวเราตัสอบได้อ่าใช่ซึ่งอันนี้อาจจะมีทริกอยู่นะถ้าเป็นมา ย, ยากลอะไรอย่เงี้ยมันก็จะมีพวกที่สามารถเดาใจได้ซึ่งทั้งคนไม่ศรัทธาเนี่ยก็จะจะบอกได้ว่าเอยสงสัยเล่นมายากลเป็นพวกแบบหมอดูลลละอะไรต่างนี้แต่ถ้าบอว่าเรามีความรู้ที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาแล้วอาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นได้นะเป็นไปได้ครับพระพุทธเจ้าจึงให้เลีกเลี่ยงในการแสดงปาฏิหาริย์พวกนี้ด้วย เป็นอิทธิปาฏิหารใช่ไหมครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอาเทสนาใช่ใช่ใชอาเทสนาปาฏิหารที่ปาฏิหาราสามใช่ก็อันนี้กับตัวเองก็ที่เคยแบ่งปันป ร, ประสบการณ์ก็คิดคิดว่าเนี่ยรู้ได้ด้วยตนแล้วมันจะแบบจิตเราจะมีมีกำลังใจกำลังใจแล้วเราเในเรื่องของความเพียรเราจะ ได้ความก้าวหน้านะครับใช่จะมีความมั่นใจถึงความสบายถึงความที่ไม่ต้องถามใครๆในคาสอนแห่งศาสนาตนครับว่าว่ากุศลธรรมเป็นอย่างไรกุศลธรรมเป็นอย่างไรก็เรารู้ชัดเจนละครับต่อไปประเด็นที่เรต้องการจะพูดวันนี้คือเรื่องของการสอบแล้วก็การที่เรามาใช้ชีวิตจริงคือบางคนจะเห็นว่า การเรียนหนังสือใ น, ในระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันมีการสอบการต้องมาขะนั่งเรียนในห้องเรียนใช่ไหมบางคนเรียนอะไรเข้าใจหมดเลยแต่ ส, บสอบทำไมมันทําไม่ไดนะ้หรือว่าสอบไม่ตรงตามที่เขาต้องการหรือบางคนสอบดีก็จริงแต่ความรู้ไม่มีอะไรมากนะเอาไปใช้งานชีวิตจริงๆปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จก็มีบางคนเรียนห้องกิ่งเรียนเก่งอะไรต่างๆแต่พอมาใช้ชีวิตจริงก็เออมันกับมีปัญหาครอบครัวคือมี IQ สูงแต่ EQ ต่ำอย่างนี้ก็มี ครับบางคนพอเอาตัวรอดได้ในเรื่องการเรียน well, เท่านั้นเองแต่พอมาใช้ชีวิตจริงโอ foi, ้โหร่ํารวยมาสารเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็มีใช่ครับแสดงว่าไอ้เรื่องเรื่องการเรียนกับเรื่องของการทําจริงการใช้ชีวิตจริงเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําให้เหมือนกันเราต้องทําให้เข้ากันเราต้องทําให้มันละเอียดเสมอกันารจาได้ไหมเรื่องของถ้ามันประกาศ แเราเราจะทํายังไงให้การเรียนของเราในในห้องเรียนเนี่ยกับการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนกันอืมคือตอนอาตมาเด็กๆจําได้ครับเรียนมัธยมอยู่อ่ามันมีสอนวิชาพุทธศาสนาเราก็ตั้งใจแค่ว่าเออเราไปตอบตรงกันข้ามกับที่เราตอบที่เราปฏิบัติอยู่เข้าใจไหมคือสมมติพ่อบอกไม่ให้โกหกสิ่งคืออะไรอ่อกลัวโกหกอยู่แล้วก็เขียนว่าไม่โกหกอย่างเงี้ยครับก็คือคิดเล่นๆว่าเอองั้น ออสงสัยไอ้ที่คนนี้มันผ่านเนี่ยเพราะว่ า, ว า, วามันตอบตรงข้ามกับที่มันเป็นอย่างงี้ <c oughs> ซึ่งจริงจริงๆแล้วเราจะต้องทําให้เหมือนกันคือการเปร็นไปจริงกับความรู้ของเราต้องทาให้เนียนเสมือนกันไปหมด <c oughs> นัะคือคือเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากอย่างนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยหมอและงก็คงทราบว่าการเรียนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรูปแบบเป็นห้องเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือสมัยก่อนนักเรียนเขาจะเรียนเขาก็ไปอยู่สํานักกับของครูบาอาจารย์ครับ ใช่ไมรือย่างพระปัจจุบันเนี่ยจะมาเรียนก็มาอยู่สมัคราาครูบาอาจารย์นะสมัยปัจจุบันยังมีแบบนี้อยู่ในรูปแบบของพระแต่ว่าในห้องเรียนเนี่ยอย่างคุณจะเรียนวิชาเจร์นายเพชรอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่ในสมัยก่อนคือคุณไปอยู่กับช่างทําเพชรหรือช่างทองคุณไปอยู่สํานักท่านเลยแล้วก็อาจารย์เนี่ยมาสเตอร์คืออาจารย์เนี่ยจะคอยดูแล ว, ว่าเออคุณใช้ชีวิตจริงกับคุณทําจริงกับคุณคุณเป็ น, เ ป, นเป็นช่างทองจริงๆริงไหม น่นคือคไม่ใช่ว่าอาศัยแค่คุณทํำก็สอบก็ใช่ไห ม, มหรืออย่คุณจะสอบม .6 คุณจะเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าไอ้คุณเป็นวิศวกรจริงจริงได้ไหมนะัคุณเรียนจริงกับคุณเป็นจริงเนี่ยเป็นได้ไหมนั่นะคือทําให้มันเข้ากันอย่างเงี้นะั่นเขาจึงมีตําแหน่งที่เรียกว่ า, าผู้ฝึกงาน apprenticeapprentice ค, คือที่คนไปฝึกฝึกสอนฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะฝึกงานอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่าเราเคยดูเรื่องของอินเจใดนะ จะมีมาสเตอร์กับอะเบิเทสอยู่ด้วยกันะมาสเตอร์ก็จะคอยดูว่าอะเบิเทสเนี่ยมีความเป็นเจใดอยู่ไหมเขียดเลยนะอ่าจำไม่ได้ว่าคือดูที่ชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ไงครับดูที่ไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นอาจมาจึงตอบอกว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจําได้คุณมานั่งปฏิบัติอย่างเดียวนะไม่ใช่นะเราจะเปรียบเทียบก่อยว่ามันคือชีวิตจิตใจของเราคือไลฟ์สไตล์คือการดําเนินชีวิตบางคนนั่งสมาธินะ แต่กลับไปก็ยังคิดบา้าคิดบอทําเฉพาะเวลานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทำแหมตลอดเลยถือศีนานด้วยแต่ว่าเวลาทํางานอะไรต่างก็คิดเพิรเจอร์อยู่ที่ทำงานก็ไม่ได้ปฏิบัติคือปฏิบัติตามศีนอยู่แต่ว่า<ง>ไม่ได้ทําให้ตลอดเวลา<ง>เพราะฉะนั้นคือมันยังไม่เนียนเหมือนกันหมดยังไม่ละเอียดเข้ากันหมดในการใช้ชีวิตของเราเป็นจริงกับการที่เรามาปฏิบัติเช้าเย็นอเหมือนกับน้ํากับน้ํามันคือยังแยกกันอยู่อ่า ค, อคือยังมีความแตกต่างกันอยู่ S <S เพราะนั้นการฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นเป็นชีวิตของเราเป็นเป็นมาตรฐาน<ม>ในการ<น>ดําเนินชีวิตของเราดําเนินหมแล้วลงใช่ไหมดําเนินคือเดินนะคือเดินบนลายบนทางอาเพราะฉะนั้นรเราต้องเดินอยู่บนทางนี้ตลอดครับเป็นผู้มีชีวิตดําเนินอยู่บนทางนี้ตลอดไม่ใช่เฉพาะเวลาที่คุณมาวัดเวลาที่คุณนั่งสมาธิเวลาที่คุณอยู่ต่อหน้ า, าพระพุทธรูปหรือว่าเวลาที่คุณสวดมนต์ไม่ใช่แค่นั้นอแต่ว่ามันต้องเป็นเสมอๆกัน นั่นคืออาจมาต้องเอาชี้ประเด็นตรงที่ว่าเออเวลาที่เราเราเรียนเนี่ยเวลาที่เราเรียนกับเวลาที่เราทําจริงเนี่ยมันต้องให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมะใ น, นในห้องในวัดนั้นมันต้องเหมือนกับเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันจริงๆในครอบครัวในที่ทํางานใช่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ใช่ใชอืมอันนี้สําคัญนะครับท่านเพราะว่าส่วนตัวก็เห็นเห็นหลายๆคนเลยที่วัดแหมภาวนาดีอะไรดี พอกลับมาบ้านหรือที่ทํางาน เ, เป็นอีกแบบนะทั้งเรื่องการพูดจาการอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนคนละค น, นใช่เพราะฉะนั้นคือให้เหมือนกันให้เป็นธรรมชาติเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ทาเหมือนๆกันครนะคือไม่ใช่บบว่าคุณามาไปอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาหลับตาเอาแต่ตราบตาเดินแข็งแข็งอะไรนี่ก็ไม่ใช่นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าให้มันเป็นธรรมชาติเดียวกัน ใช่ไอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีมัสเตอร์มีอะเรนทิสในรูปแบบนี้มันก็จะดูได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการเรียนเนี่ยมันมีนักเรียนมากมีครูน้อยมันจึงต้องมีการสอบมีระบบอะไรต่างๆทําให้เขาไม่ได้มาดูได้ตลอดเวลาเขาจึงต้องมีการสอบครับก็จะม่สอบแต่เวลาที่มัสเตอร์อยู่กับอะเรนทิสในในสํานักที่เขาทําช่างทองเนี่ยเขาไม่ได้มีการสอบนะไม่มีครับไม่มีการสอบคือเขาทําจริงเลยทําจนกระทั่งคุณได้อ่ะคุณมีความเป็นช่างทอง อ่าอันนี้คุณก็ผ่านคุณก็ไปตั้งสํานักเองคุณก็ไปกลับบ้านคุณเอาเรียนวิชาจบแล้วแรงต่างก็ว่าไปอืิจริงๆดีนะครับการศึกษาในสมัยก่อนคืออเป็นเรียกว่าหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสองสามคนก็ได้กลุ่มเล็กๆครับแต่มีเวลาที่จะดูพฤติกรรมดูนิสัยใจคออย่างเงี้ยนะเดี๋ยโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้เนี่ยความเป็นหมออย่างเงี้ยหมอรัตพงศ์ในแพทย์นี่จะต้องมีเชญยาบันมาก เพราะฉะนั้นมันจะต้องดูหลายอย่างไม่ใช่แค่สอบได้อย่างเดียวคืออย่างวิธีสอบวิชาจันทรแบร์บรรทัดอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเราทําตรงกันข้ามกับที่ตอบตรงกันข้ามกับที่เราเป็นมันก็ได้นะใช่ไหมอย่างที่เราตอบตรงกันข้ามกับที่เราเป็นเลเรียนพุทธศาสนาสมัยก่อนใช่ครับอืยังไงเขาก็ผ่านอยู่ดีครับอ่าแต่เขาไม่ได้มีคุณสวบัติของความเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เหมือนกันต้องทําให้เนียนให้ละเอียดทั้งการเรียน เออท<ม>ั้งทั้งการปริบัติจริงให้เป็นอย่างเดียวกันครับอือย่างนี้นะจริงๆยังไม่ทราบเคยเอยกับท่านไหมครับว่าอย่างคนที่เรียนแพทย์เนี่ยหรือว่าจะจะต้องเป็นแพทย์คือจะจบอะไรเงี้ยควรจะมาปฏิบัติธรรมในหลักสูตรอย่างเงี้ยแบบหลีกเล้นเนี่ยยาวๆเจ็ด ว, ว, วันสิบวันเนี่ยอืว่าจะได้ขัดเกลาอะไรหลายๆอย่างอืมอื ม, อมนี้อย่างรายละเอียดเรื่องที่ว่าเออการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ใน วิธีทําได้เนี่ยเขาก็จะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสคืออย่างน้อยคุณจะต้องหยุดเดินอยู่บนทางอนะอครับเดินอยู่บนทางให้ได้ทําให้หมันเหมือนกันให้มันได้มากที่สุดก็ก็เท่านั้นเองคือต้องการชี้ประเด็นตรงนี้นะแล้วก็ควรจะต้องทําให้เป็นอย่างนี้อืแล้วคือบางคนแหม่ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกอยู่วัดเนี่ยนะ อ, อแล้วก็มาด่ากาันว่าการแบ่งแยกเป็นพักเป็นพว ก, พวกไม่สามาัคคีกันทันนี้มัยังไม่ได้เลย ขณะที่อยู่วัดเนี่ยคุณไม่ควรจะเอากิเลสออกมามาโพธนาตัวเองครับเนะยิ่งยิงควรจะต้องทําให้ดีครับเพราะอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอืมศักดิ์สิทธิ์ในกรณีที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ครับเป็นที่เรียนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะใกล้ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับประเด็นต่อไปคุณมารุพงศ์ที่ต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือภาพของสมาธิในชั้นต่างๆครับ อสมาธิที่เรามีอย่างเช่นว่าชั้น1ชั้นสองชั้นสาชั้นสี่พวกเนี้นะคมีหอมีหลายๆคนเขาจะพูดว่าอคิดเรื่องดีๆมันก็น่าจะดีนะอืครับคิดเรื่องดีๆถึงก็เรียกว่ามีกิจกรรมมีการทํางานอย่างนี้ใช่ไหมเราทำไมไม่ได้มองเห็นโทษของการที่เอทําไมเราจะต้องทําไมไม่มองเห็นประโยชน์ของการที่จะไม่ต้องคิดเราจะฝึกไม่คิดทําไมการไม่คิดเหมือนกับการที่ไม่ได้ทํางาน ต้องคิดสิคิดเรื่องดีๆเราก็คิดได้นะอย่างนี้หลนะซึ่งซึ่งคนทั่วไปจะมีความเป็นอย่างนี้นะอซึ่ง<ม>สมมุติเวลานั่งสมาธิอย่างเงี้ยต้องคิดบางทีมันมีความคิดเรื่องงานโผล่ขึ้นมามีความคิดเรื่องดีๆโผล่ขึ้นมามันน่าจะดีใช่ไหมครับซึ่งซึ่งต้องเชี่ยเห็นประเด็นที่ว่ า, าความโทษความที่เป็นโทษพระเช้าใช้คำว่าอัพาสนะครั บ, รบสมาธิต่างๆที่เราได้เคยคุยไปนิดนึงเมื่อตอนที่แล้วก็พูดเพิ่มเติอมอีกนิดหนึ่งว่า อย่างฌานที่หนึ่งคือการที่มีความคิดเรื่องดีๆเนี่ยอาพาธของความคิดเรื่องดีเนี่ยก็คือความคิดเรื่องไม่ดีเพราะจิตเนี่ยต้องคิดอยู่แต่เพดัะนั้นอาจจะมีความคิดทางกลามได้ความคิดทางปัาญาเปลี่ยนได้แต่เพดังนั้นสิ่งที่ดีกว่าก็คือเลื่อนไปที่ฌานสองคุณไม่ต้องคิดจะนะไม่ต้องมีความคิดที่เป็น dialogue นะไม่ต้องมีความคิดที่เป็นคําพูดเข้าใจไหมทีนี้พอไม่พูดเป็น dialogue d i a l o g คือความคิดที่เป็นคําพูดอย่างสมมติเคยดูหนังที่ นังเอกกับพระเอกเขาอยู่ด้วยกันอย่างเนี้นะแต่เขาก็คุยกันจะมีบางฉากที่นางเอกก็คิดว่าในใจฉันจะพูดอะไรแต่ฉันยังไม่ได้พูดออกมาครับตรงเนี้ก็คือดาวหลอกคือความคิดที่เป็นคําพูดได้ไหมซึ่งความคิดหลายๆอย่างไม่ได้เป็นความพูดมนตะปงอย่างเช่นว่าสมมุติอมีคนบิดาครับผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ด้วยจิตที่มีความอพยาบาทอยู่นะมีความเดือดร้อนใจสวนกลับไปทันที อาการที่เขาสวนกลับไปเขาไม่ต้องคิดก่อนว่าเขาจะต้องพูดอะไรโอ้ทันทีเลย่ทันทีเลยนะแสดงว่าไอ้จิตของเขาเนี่ยเป็นไม่มีวิตกวิจารไม่มีความคิดที่เป็นคําพูดแต่สวนกลับไปเลยครับในลักษณะนี้คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อืเข้าใจเนาะไม่มีการกลรองแต่สมมุติอย่างสมมติหมอท่านองษ์ถามอะไรอะไรมามาอะไรมาจะมีการเรียบเรียนก่อนว่าจะพูดอะไรอันนี้คือมีวิตกวิจารณ์บางที่ถามมาแล้วตอบพรวโดยที่เราไม่ต้องคิดเลย อันนี้คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้ารเราจะต้องคิดเรียบเรียงคําพูดนะเป็นวิตกวิจารเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงความคิดคิดคเนี่ยนะเร า, เ า, เ า, เาต้องระ บ, บุให้ดีนะว่าความคิดแบบไหนอว่าความคิดแบบมีวิตกวิจารณหมหรือไม่มีวิตกวิจารณ์อย่างเช่นมารดารักลูกอย่างเงี้ยแม่รักลูกเนี่ยมาแล้วพงเอ้ มันไม่ได้จะต้องระบบว่าอ๋ลูกชั้นตาอยู่บนปากนะแล้วจมูกก็อยู่ระหว่างตากับปากแม้น่ารักจังเลยสีผิวอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะคือรักลูกด้วยความรักเฉยๆเป็นความคิดที่ไม่มีคําพูดครับอ่าทีนี้เวลาที่เนี่ยมันคือข้อเสียของการที่ต้องอธิบายสมมุติหลองพงศ์นัางสมาธิบายแล้วก็แม้สบายใจจริงๆไม่ต้องคิดอะไรเลยทีนี้จะอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยจะอธิบายยังไง บางทีมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอธิบายคําถาม่เช่นว่าโอ้มันเหมือนอยู่นั่งบนเมฆแล้วก็มีหมอกมีอะไรโว้ยสบายใจเนี่ยเนเยพอมันเริ่มอธิบายเป็นคําพูดแล้วเนี่ยตรงนี้แหละคืออาพาธของการที่มีปีติสุขเพราะว่าบางทีคุณต้องพยายามที่จะอธิบายเป็นคําพูดในเรื่องปีติสุขเนี่ยใช่ครับอเข้าใจมับท่านผู้ชเข้าใจครับทีนี้มันเป็นนี่เรากําลังขึ้นขั้นที่สามนะครับเราตอนนี้เมื่อคร้วที่เราอยู่ขั้นแรกว่า เอ้เรามีความคิดนะัคิดเรื่องดีๆเอาพวงทีมไปคิดเรื่องชัวได้อา้าวนี่ผานให้มีความสุขสบายใจธรรมดาทีนี้ถ้าเราจะอธิบายเนี่ยมันจะต้องมีคําพูดที่เป็นคําพูดดีๆออกมาทําไมต้องมีวิตกวิจารเพราะฉะนั้นปีติสุขเนี่ยจึงมีวิตกวิจารณเป็นอาพาธ hmm. คือหมายว่าขั้นที่สามเนี่ยมีไ <That. S 1> อ้เจ้าองค์ประกอบที่เป็นวิตรวิจารของขั้นที่สองเนี่ยเป็นอาพาธ <That. S 1> แต่ความวิตรวิจารคือความคิดที่เป็นคําพูดครับ <That. S 1> อ่าเข้าใจเนาะ อันนี้ ค, คิดว่าุกท่านคงพอจะเข้าใจได้และทีนี้พอมันลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปนี่จะเริ่มมึนแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่มาคิดว่าจะหยุดแค่นี้สั ก, ก่อนเนี่ยหยุดแค่นี้สั ก, ก่อนเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าอ๋อบางทีแหมบางคนเนี่ยนั่งสมาธินิ่งสงบเลยแล้วอธิบายให้เพื่อนฟังเนี่ยมันจะต้องอธิบายเป็นคําพูดตรงนี้แหละที่ว่าจะเป็นอพาธในจิตของคุณตรงนั้นอืสมมติเรานั่งสมาธิโอ้บางทีเราคิดขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ยแหมมันเบาสบายจริงเอาแค่เนี้ยคุณก็มีอพาธเกิดขึ้นทันทีละ คือคุณมอแพวเข้าใจไหมนั่งหลับตานั่งสมาธิอยู่นะแล้วปรากฏว่าโหจิตเราสบายลงไปเย็นลงไปอย่างเงี้ยอันนี้คือปีติสุกนะครับโอ้โหแล้วจะต้องมาคิดว่าโอ้โหนี่คืออะไรกันเนี่ยเฮย โ, โอ้ยอันนี้คือเกิดอาพาธขึ้นทันทีละครับมันก็จะลดระดับลงมาเหมือนมันจะมี็นอาพาธตจะเรียกว่าลดมันก็มีมากวนเฉยยอ่าเพราะจิตยังทรงอยู่ตรงนั้นได้อยู่ยังมีตรงนั้นเป็นมิหารธรรมอยู่มีตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่อยู่ เรื่องอยู่แหมงุว่าคุณกลับมาตรงนี้ได้บ่อยๆจำนาละกับบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับอืถึงแม้คุณจะอยู่ไปออฟฟิศบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้างมาคิดบ้างไปไหนบ้างแต่คุณก็กลับมาปิติสุขได้ครับตรงนี้นะอ่าทีนี้ก็เลยทําไงดีเอางัดอุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขานี่ไม่ต้องมีปิติสุขด้วยครับเข้าใจไหมทีนี้มันจะมีความสุขที่เจออยู่ในอุเบกขาตรงนี้แหละจึงเป็นอาภาธครับความสุขเนี่ยจึงเป็นอาพาธของความเป็นอุเบกขาอืมเข้าใจไหะใช่ครับเออ ไอใ้เข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันมีละเอียดไปอีกนะที่ละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกนะครับอ่ายิ่งกว่าใช่อันนี้ต้องต้องถ้าผู้ปฏิบัติที่เข้าได้ลึกๆขนาดนี้ก็ท่านคงเข้าใจแล้วว่าอ๋อแบบว่าเคยเจอแล้วแต่ท่านที่ยังไม่เคยปฏิบัติถึงก็อาจจะจาเป็นอาจจะเป็นสัญญาไว้ก่อนแล้วก็เมื่อใดที่ปฏิบัติถึงแล้วก็เออจะได้รู้รู้หนทางอย่างพระอาจารย์ได กล่าวชี้แนะไว้อย่างเงี้ยก็จะได้อ๋ออย่างนี้จะได้ละละลาหรือว่าปล่อยวางได้ก็ก็ถือว่าเป็นกนะุศโลบายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อในเรื่องที่เราพูดกันในวันนี้ครับนั่นก็คือเราพูดถึงเรื่องของอาการที่ร่างกายเนี่ยอาจจะมี body reflection เป็น body response อันนี้ก็จะทำใหเ้เกิด error ในการปฏิบัติงานได้บางอย่างในในกระบวนการของร่างกาย แต่จิตใจเราก็ทําให้สบายกันแล้วกันอ่าประการที่สองเราได้พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของที่ตอบคําถามของคุณอนุกูลนะครับเรื่องของความความเบื่อเบื่อซิงเบื่อหน่ายกับเบื่อซิงต่างกันอย่างไรครับนได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ประการที่สามของเรื่องประสูตรของคุณมคานุกขาที่เดินตามทางครับครับชั้นอัสสิะนะครับ เราก็ได้ไดพูดถึงสวดธรรมนิดนึงแบเนาะแล้วก็พูดถึงการทําเรื่องการเรียนกับการทําจริงทําให้เหมือนกันนะเปรียบเทียบกับการที่เรามาปฏิบัติทำที่วัดกับการที่คุณอ่านหนังสือแล้วก็การใช้ชีวิตจริงเนี่ยคุณทําไม่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็พูดถึงเรื่องการภาพของสมาธิภาพของสมาธิชั้นต่างๆครับใช่ใช่วันนี้เราก็คิดว่าใช้เวลามาพอสมควรครับ แล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ท่านผู้ฟังอยากจะถามก็ถามมาได้นะครับครับนี่ก็เรื่องห้องน้ําจะเดี๋ยวผมเออเราก็ได้ขออนุโมทนากับท่านที่ทําบุญเรื่องห้องน้ํามาด้วยเหมือนกันครับครับซึ่งล่าสุดคือคุณสุภีนะครับสุพสุพีใช่ใ่อนุโมทนาด้วยขออนญาติบอกว่าจากกลุ่มของโรงพยาบาลบำรุงรานนะครับท่านได้โทรมาเรียนผมเมื่อวานก็อนุโมทนาครับท่านโอนมา 10,000 บาทนะครับ โอก็ขออนุฒนากับท่านผู้มีจิจกุศลทุกท่านโดยเรื่องรายละเอียดของการทําตรงนี้ก็คิดว่าจะให้คุณมรัตวงโพสต์ขึ้นบล็อกเอาไว้ละกันเนาะครับเดี๋ยวเนนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปคือมรัตวงกลับก็กลับน้มันการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ